คํเที่พวาชาวพุทธทั้งหลายได้ระลึกสังกิตมาเป็นเวลาแเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชและนักปฏิบัติเราระลึกทั้งทางด้านจิตใจและประกอบความภาคเพียรเพื่อให้เป็นไปตามแนวของที่เราระลึกถึงอยู่นั่นคือ พุทธัางสนังกัจามิธรรมังสังขังสนังกะชฉามินี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องความอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมที่รือโลกรือสงสารรื้อวัตทุกออกจากจิตใจของสัตว์โลกได้โดยไม่ต้องสงสัยเฉพาะชาวพุทธและ นักบวชผู้ปฏิบัติควรลึกให้ถึงใจตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกทรงสั่งสอนด้วยความเห็นไยัยจริงๆและเห็นคุณอย่างถึงใจทั้งสองอย่างไม่ใช่ศัก์แต่ว่ามาเทศสนาว่าการหรือสั่งสอนโลกพอเป็นธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น แต่ออกมาจากใจจริงของพระองค์ที่เราได้ยึดว่าเป็นเสน่ของเราสุพุทธทางสนางาันนงษฐานพรชัมองศ า, ศาสดาเอกนี้ท่านดำเนินอย่างไรจึงได้ถึงขั้นถึงภูมิแห่งความเป็นศาสดาเอกและทานั่นเป็นธรรมที่จัไดไว้โดยชอบธรรมออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์สุดๆแล้วท่านดำเนินอย่างไร ควรระลึกให้ถึงใจอย่าให้จืดจางห่างเหินจากธรรมนี้ข้าสึกจะไม่ได้เข้าใกล้คิดติดกับหัวใจและทําลายใจไปตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้ซึ่งไม่สมกั บ, กบความมุ่งหมายของธรรมและพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลยสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะมาเป็นศาสดราของโลกนั้นท่านอยู่ในที่เช่นใดเหล่านี้เคยพูดเคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบมาหลายครั้งหลายหนแล้วควรจะถึงใจฝังลงอย่างลึกซึ้งแล้วดำเนินตามนั้นด้วยความพอพอใจตามสเสด็จพระพุทธเจ้าสถานสถานที่อยู่ของพระพุทธเจ้าคือในป่าในเขาเป็นสิ่งที่ ที่โลกทั้งหลายไม่เป็นปราตรนาไม่อยู่กันแต่เป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมซึ่งต้องการความสงบสงัดเพราะสถานที่เช่นนั้นคนไม่ปุ๊พร่านวุ่นวายเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณะธรรมในตำลับตำลาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติเราได้เห็นแล้วว่าพระองค์ทรงอยู่บำเพ็ญ หลับนอนสถานที่เช่นไหนตั้งแต่วันเริ่มแรกออกทรงพนวดปรากฏว่าเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่โอดอยากลกับแคลนทั้งนั้นสำหรับธาตุขันสำหรับโลกเขาไม่ต้องการความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการแต่พระองค์ซึ่งเป็นโลกเหมือนโลกทัว่วไป ก็จำต้องอยู่จำต้องอดนทนทั้งที่ใจหนึ่งซึ่งเป็นความเคยชินนั้นไม่อยากอ ย, กอยู่ไม่อยากบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นแต่ก็จำต้องได้อยู่ได้บำเพ็ญ น, นี่แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าการเริ่มต้นฆ่ากิเลสชำระกิเลสก็เริ่มต้นสูงกันตั้งแต่บัดนั้นในป่า คำว่าป่ามีหนำซ้ํายังบอกว่าลุคโคลมเรเส น, นาสนางอีกคืออยู่ตามต้นไม้ชายเขาหาที่สะดวกสบายไม่ได้เลยจึงไม่เป็นที่ที่หรูหราดังที่โลกทั้งหลายนิยมกันธรรมนิยมกับโลกนิยมต่างกันอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มแรกมาแม่องศ า, ศาสดาก็ทรงบําเพ็ญมาอย่างนี้อดทนต่อสู้กันมาอย่างนี้ไม่เคยลดละ การต่อสู้เมื่อกิเลสยังมีอยู่ในพระไทยมากน้อยเพียงไรการต่อสู้จะต้องมีกันมากน้อยเพียงนั้นถึงขั้นควรสรุปก็จําต้องสรุปไปหากว่าควรจะตายก็จําต้องตายแต่นี้ไม่ถึงขั้นนั้นเพียงเป็นขั้นสรุปเพราะการฝึกการฝืนการทรมานกันกับกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ จึงไม่ใช่เป็นของง่ายในการอยู่ของพระพุทธเจ้าหากจะเป็นบ้านเป็นเดือนก็เป็นกระต๊อเล็กๆน้อยๆพอบังแดดบังฝนเท่านั้นไปบินทบาทก็ได้ตามข้อ คนที่เขาให้ทานอยู่ตามประเพณีไม่ใช่คนที่รู้จักศาสนาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ในเมืองไทยของเราเลยเขาให้ทานตามประเพณีของเขาเช่นนั้นได้อาหารไม่ว่าชนิดใดมาก็มาคุกเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนถึงกับขั้นจะสวยไม่ได้ก็มีในรประวัติมีมาอย่างนั้นแต่ก็ทรงฝืนสวยจนได้่ย นี่แหละคำว่าฝืนแม้แต่สเสวยยานยหารก็ยังต้องฝืนเพราะอาหารเหล่านั้นไม่ได้เหมือนอาหารของกาศซึ่งอยู่ในพระราชวังเป็นกันคนละโลกทีเดียวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของฤาษีดาบทไปก็ได้เพราะยังไม่เป็นแบบเป็นชะบับตายตัวออกจากความเป็นศาสดา นั่นเป็นคนที่มีกิเลยจีธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆไปพระองค์ก็ย่อมจะเป็นอย่างนั้นในเวลาบำเพ็ญอาจจะเป็นเพศหรืสีดาบทหรืออะไรไปพลนองนั้นการประกอบความภาคเพียรก็ต้องรูปคำคำเพราะเป็นทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยทําย่อมจะผิดจะพลาดจนถึงกับได้รับความลําบากถึงขั้นสลบก็เพราะการรูปคำหาทางที่ถูกต้องดีางามนั้นแหละ เหล่านี้เป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องดําเนินของพวกเราได้เป็นอย่างดีผู้ใดก็ตามถ้าเห็นการดําเนินวิธีดําเนินวิธีอยู่ทุกพระอาการของพระพุทธเจ้าเป็นของไม่ผืนปราบทาณาแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าจะสึกจะสิ้นในเรื่องการบําเพ็ญตนเพื่อมรักเพื่อผลต่อไปจะทําไม่ได้ ก็จิตไม่ยอมรับกิริยาอาการที่จะทําก็ย่อมทําไม่ลงแต่พระพุทธเจ้าในเวลาบําเพ็ญพระองค์ทรงพร้อมทั้งนั้นตายก็ยอมจะอยอมตายนี่นี่แหละเรื่องสาระของพวกเราท่านดําเนินมาอย่างนี้การทรงบําเพ็ญทางด้านจิตใจก็ต้องบีบบังคับกิเลสตัวสําคัญสําคัญที่ทําให้คิดถึงอ๋อปราสาทราชสมุทรเทียนบริษัทตรเรีาน วงกษัตริย์ซึ่งเคยกันเป็นมาตั้งแต่วันประสูตรจนกระทั่งรันรเสด็จออกสมบัติหนวนทำไมจะไม่ฝังลึกเล่ากิเลสประเภทเหล่านี้ต้องฝังลึกกิเลสกษัตริย์กับกิเลสคนสามัญธรรมดาถ้าพูดน้ำหนักแห่งความเป็นพิษเป็นภัยแล้วกิเลสกษัตริย์นั้นแหละหนักมากกว่ากิเลสคนธรรมดาเพราะมีแต่ความห่วงความใยมีแต่สิ่งที่ผูกพัน จ, จิตใจ ให้ก้าวเดินไม่ออกทั้งนั้นแต่พระองค์ก็สงฝืนจนกระทั่งเสด็จออกได้ด้วยการบำเพ็ญอยู่สะดวกสบายพอพระไทยในการที่จะบำเพ็ญเพื่อชำระสิ่งผูกพันทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปโดยลำหนักลำดาจนคืนวันที่จะได้ตรัสรสรุปลงมาเป็นเวลาหกปี วันนั้นเป็นวันที่จะตัดสินเด็ดขาดกันลงถึงเรื่องความเป็นความตายความได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือจะตายเสียก่อนได้ตัดสินพระไทยลงในคืนวันนั้นจะประทับนั่งภาวนาเพื่อความตรัสรู้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นหากไม่ตรัสรู้ร่างกายจะเหน่ยวแห้งหรือตายไปเสียเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะให้เป็นคอยต่ำนั้นแต่การบำเพ็ญ เพียงเพื่อความสัดสรุนี้ไม่ล้นละจนกว่าจะสิ้นลมหายใจไปเสียเท่านั้นนี่เป็นความเด็ดเดี่ยวอาหารของศาสดาผู้นำธรรมมาสอนโลกด้วยสวขาธรรมคือแต่ได้ชอบก็เพราะความรู้ชอบของศาสดาองค์เอกไม่ถอยหลังนั่นเองนี่คือคติตัวอย่างในการตะเกียกตะกายของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสะนาะ ของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งของเราแต่ละท่านละท่านตัวได้ระลึกลงให้ถึงใจยาได้หยิบหรือเอื้อมือออกไปให้กิเลสมาฉุดมาลากออกขึ้นเขียงของมันอย่างง่ายได้หาความคัดค้านต้านทานกันไม่ได้อย่างนั้นไม่ถูกเลยนักปฏิบัติเป็นนักที่คล้ควรเป็นนักที่สุขขุมเป็นนักที่อดเป็นผู้อดทน ต่อกิจการที่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนเกี้ยนหนามคือกิเลสแต่และประเภทประเภ ท, เภทออกจากหัวใจเราเป็นสิ่งที่ถอดถอนได้ยากยิ่งกว่าสอดถอนสิ่งใดยิ่งกว่าการรบการต่อสู้สิ่งใดทั้งนั้นเพราะจะต้องได้ใช้สติกำลังสติปัญญากำลังวังชาทุกแง่ทุกมุมมีเท่าไหร่เป็นโฮมกันมาหมดมาต่อสู้กับกองทัพ แห่งกิเลสที่พาสัต์ให้ล่มจมอยู่ตลอดเวลาหาความหลุดพ้นไปไม่ได้นี้เนี่ยจึงเป็นของยากยากอย่างนี้คำว่ายากก็คือกิเลสตัวที่มันขัดมันขืนนั่นแหละทาให้ยากไม่ใช่ทำพาให้ยากไม่ใช่มรรคผลนิพพานพาให้ยากไม่ใช่ความสิ้นทุกข์ความสิ้นกิเลสพาให้ยากการต่อสู้กิเลสเพื่อให้สิ้นราบไปเสียจากใจนี้ย่อมได้รับ การกีดการขวางต่อกับมันไม่ใช่น้อยนี่แหละความยากยากเพราะทิเดตมันต่อสู้เราเท่านั้นยาพึงคิดไปอย่างอื่นอันจะทำให้เกิดความท้อถอยน้อยใจและลดละความภาคเปลี่ยนของตนลงโดยลำดับให้ทิเดตหัวเลาะเยาะอยู่ทั้งวันทั้งคืนที่เราประกอบความเพียนด้วยความไม่เป็นท่าดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ฝังใจในการบำเพ็ญของตนมีเรานี้เท่านั้น ที่จะรับผิดชาบตัวของเราโลกทั้งโลกจะเป็นโลกใดก็าตามในสามโลกนี้คือการมาโลกรูปประโลกอรูปประโลกหรือการมาพบรูปประพบอรูปปพบทั้งสามนี้เราอย่าไปมอบจิตใจให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดพบหนึ่งพบใดเป็นผู้ที่จะฉุดลากหรือมาช่วยฉุดลากเราให้หรือพ้นจากทุกข์อันเป็นเรื่องของเป็นผลของกิเลสสร้างขึ้นมา นอกจากอับธรรมคือความเพียรของเรานี้เท่านั้นที่จะฉุดลากเราได้ที่จะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายและถอดถอนกิเลสทุกประเภทออกจากหัวใจเราได้และหลุดพ้นทุกปรโดยสิ้นเชิงจากธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมาฉุดลากมาช่วยเราให้พ้นจากทุกไปได้ในบรรดาที่กล่าวมาทั้งหมดในแดนแห่งโลกกระานนี้ เพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ควรหวังใจจะหวังพึ่งสิ่งใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีอนิจจังทุกขังหน้าตามัดตรึงตรึงามันอยู่ตลอดเวลาทั้งนอกทั้งในทั้ง ใ, งใกล้ทั้งไกลขึ้นชื่อว่าสมมติแล้วมีอนิจจังทุกขังหน้าตาเต็มตัวด้วยกันเท่านั้นเราจะหวังพึ่งอะไรนอกจากจะหวังพึ่งธรรมซึ่งเป็นเครื่องสุดรากิเลสตัวสําคัญที่พาให้สัตว์ล่มจมมีเราเป็นสัมพันธ์คนหนึ่งไม่ด้อยกว่าสัตว์ทั้งหลายนี้เลย เหนือสำคัญมีเท่านี้จึงพระจงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อกิเลสก็เคยเชื่อมานานแล้วเชื่ออยู่ตลอดเวลาผลที่มันผิดขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความเชื่อและเดินตามมันต้อยต้อ ย, อยได้อะไรบ้างมีแต่ความร่มจมคิดหายวันคืนปีเดือนคือมืดกับแจ้งผ่านไปผ่านมาอยู่เช่นนี้ดังที่เราเห็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วมี เมื่อสว่างเมื่อสว่างอันไหนเมื่อแจ้งอันใดเดือนใดปีใดวันใดสถานที่ใดวัตถุใดได้เข้ามาฉุดลากเราพยุงเราให้หลุดพ้นจากทุกนอกจากความดีที่เราสร้างไว้สําหรับเรานี้เท่านั้นเราเป็นผู้รับผิดชอบเราต้องคิดอย่างนี้เสมอนักบวชนักปฏิบัติอย่าหวังพึ่งใครสิ่งที่เราได้เคย สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วในโลกนี้ไม่บกพร่องแล้วในจิตวิญญาณของแต่และดวงละดวงไม่บกพร่องแห่งการท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือการเกิดแก่เจิดตายเพราะเชื้อแห่งวิเลศมันฝังอยู่ภายในจิตให้ต้องงอกต้องเกิดอยู่ตลอดไปแล้วก็ตายกันตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้เราไม่เหนื่อยหน่ายสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยแก่เราอยู่ภายในตัวภายในจิตใจนี้เราจะได้เบื่อหน่อยอะไรเราไม่เห็นโทษจุดนี้เราจะไปเห็นโทษจุดใด เราต้องคิดให้มากมีหลักคําว่าสารณะแล ะ, ะังคัดฉามมคือองค์ศาสดาพาดเดินมา ก, ก่อนแล้วทุกมากน้อยเกี่ยงไรในการต่อสู้กับกิเลสกิเลสของพระองค์กับกิเลสของเราเป็นความเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมเช่นเดียวกันเราแต่เรามีผิดกันกับพระองค์อยู่ที่ว่าได้พระโอวาทคือเครื่องมืออันสําคัญทันสมัยจากพระองค์มาห้าหั่นฟันกับกิเลส ให้แตกกระจัดกระจายไปด้วยความเพียรมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสาคัญ น, นี้เท่านั้นมีต่างกันกันกบพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเจาะแสวงโดยลําพังที่เรียกปัสยํมผูเวลารู้ก็รู้โดยลําพังพระองค์เท่านั้นไม่มีใครมาแนะนําสั่งสอนเลยแต่เรานี้เป็นผู้ได้รับการแนะนําสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมทำทั้งหมดที่นับพอประมาณ8ปดพัสี่พันประำคำขันล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิถีและเครื่องมือสําหรับที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้น เราได้รับมาหมดเรียนก็เรียนมาพอสมควรแล้วทุกๆุกท่านนี่ยที่แตกต่างกับพระพุทธเจ้าเครื่องมือเราก็มี อ, อนี้แต่เราจะจริงหรือไม่จริงนี้เท่านั้นให้พากันฝังจิตลงในปัจจุบันเห็นโทษแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสอย่างแท้จริงและเห็นคุณค่าแห่งธรรมเป็นเครื่องถุดลากจากกิเลสให้ถึงใจเช่นเดียวกันความเพียรทั้งเราจะได้ก้าวไปโดยลําดับไม่ถอยหลัง ดังที่เป็นอยู่แล้วจะและเป็นมาผู้ปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นเสมอหยุดเวลาเด็ดต้องเด็ดยาอ่อนแอทอดแท้ไปตลอดสายอันเป็นเรื่องของยีเดีดฉุดนากไปฮาร์ดคาหากดเกลี่นหาที่สุดยุติแห่งป่าชา้าแห่งความเกิดตายของเหล่านี้ไม่พบไม่เจอเลยถ้าเป็นดังที่เป็นมา น, นี้เวลานี้เราจะตัดภพตัดชาติออกจากจิตใจของเราซึ่งฝังเชื่อคือภกชาติอยู่ภายในด้วยกัน ออกจากใจของเราด้วยความภาคเพียงนี้ไม่ลดละนี่แหละคําว่าพุทธังสนังขฉามของพระเจ้าเป็นแบบฉบับตัมที่กล่าวมานี้ทำมังที่เกิดขึ้นได้ในพระทัยของพระองค์จนกระเทือนโลกกระฐานได้นํามาสั่งสอนสรรโลกด้วยมาจนกระทั่งแบบนี้ออกมาจากความเดนตายของพระพุทธเจ้า ที่ห้ามพันที่ไม่มีการล้นละท้อถอยนี้นี้ต่างหากไม่ใช่เกิดมาจากความหมืนแอร์ทอดแท้หรื่อยๆอะไรเลยเราจึงไม่ควรจะเหลวไหลริยาอาการทุกส่วนให้ดูอาการของจิตที่คิดออกมามันโง่หรือมันฉลาดมันคิดไปทางกิเลสหรือทางธรรมะผู้ปฏิบัติดูจิตใจนี้อย่าดูที่อื่นอย่าดูต้นไม้ภูเขาอย่าดูดินฟ้าอากาศอย่าดูมืดดูแจ้งอย่าดูสัตว์ดูบุคคลดูวัตถุต่างๆให้ดูอาการของจิตที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่เวลานี้ตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างเหตุ เปิทุกอยู่เสมอเพราะกิเลสเป็นเครื่องผักดันเป็นผู้บัญชา ง, งานเป็นเจ้าของงานเป็นตัวจักอันใหญ่มันหมุนเยือนอยู่ภายใ น, จ, ในจิตใจนี้เข้ามาวัฏจักรกัวัฏจิตนี้จะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นอยู่ที่จิตของเราจากกิเลสที่พาให้หมุนอย่างนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นกว้างแส น, น ก, วกว้างก็เถอะเรื่องโลกอันนี้ไม่มีพิษมีภัยอันใดนอกจากกิเลสที่ฝังอยู่ในใจเท่านั้นเป็นพิษต่อสัตว์ทั้งหลายมีต่อเราเป็นต้น เราไม่เห็นโทษของมันในจุดนี้เราจะเห็นจุดไหนเนี่ยผู้ปฏิบัติให้ทำความมั่นใจลงที่จุดนี้การหลับการนอนการขี้เหียดขี้ค้านการท้อแท้อ่อนแอเราเคยเป็นมาแล้วได้ผลอย่างไรบ้างเอามาทดสอบกับความเพียรของเราความเพียรวันนี้ได้ผลอย่างไรบ้างละกยิ่เรียดได้เหยียบย่มทำลายกี่ครั้งเรามีการชนะกิ่เรีดในแง่ใดบ้างพอที่จะโหมกาลังเข้ามา สู้กับมันให้ในชัยชนะไปโดยลังดับจนกระทั่งถึงกิเลสขาดกระ บ, บ้นออกจากไปให้เห็นอย่างชัดเ็นทีเดียวว่าจิต ด, ดวงที่เป็นเจ้าแห่งวัตตะครองวตตะมาเป็นเวลานานแสนนานนี้ได้ยุติกันแล้วลงแล้วในขณะ น, นี้ในวันนี้ในอิริยาบถนี้นี่ด้วยความาพากเพียมอันเด่นชัดเห็นประจกักษ์ภายในจิตใจของเรานี่คนเดียวให้เห็นอย่างในนักปฏิบัตินี่แหละถ้าว่าทำมังสนังกระฉาม เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วออกมาจากความรู้ชอบทุกแน่ทุกมุมแล้วจึงได้ตัดไว้ชอบและสองทางสนองขัาฉามิผู้สเสด็จพระผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่คนท่อแท้อ่อนแอไม่ใช่คนง่เง่าเาต่าตุนกินแล้วนอนก่อนแล้วมน่แต่เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมุง่งหวัง ต่อทำอย่างแรงกล้าที่จะฉุดลากตนให้หลุดพ้นจากทุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะเห็นภยัยกิเลสก็เห็นมามากต่อมากในประวัติของพระสาวกแต่และองค์เราพอที่จะทราบได้ว่าเป็นอย่างไรบางองค์ถึงอยู่กับบ้านไม่ได้ทุลนทุลายอย่างพระยศคุณระบุเป็นต้นต้องออกหนีจากบ้านจากเรืองแล ะ, ะเผอิญไปเจอเอภิภูเจ้าพระองค์ทรงโปรดโปรดการจนได้หลุดพ้นจากทุก ได้เป็นพระนังค้าสามีของพวกเราองค์หนึ่งในปฐมกานคือที่แรกๆพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่หลักภาษาวกแต่ละองค์ท่านเป็นอย่างนี้ควร น, นําท่านมาเป็นคติตัวอย่างกกษัตริย์ก็มีที่มาเป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ภาษาวกเสด้วยออืเศรษฐีกุดุนพีข้าราการชั้นสูงเสนาบดี มีมากต่อมากกษัตริย์มีมากต่อมากเศรษฐีกุฎุมีมีมากต่อมากเวลาสะละตนออกมาสู่หลักธรรมหลักวินัยเพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วท่านดําเนินเป็นยังไงเหมือนฝ่ามือกับหลังมือพลิกเปลี่ยนเป็นค น, นโลกไปเลยความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาในสังโลกนั้นลบทิ้งออกหมดหาเอาใหม่เรียกว่าโลกุตตรสมบัติเอา จากเครื่องมือของผจ้ญญาที่ทรงสั่งสอนนี้เข้าไปประหัตประหารสิ่งที่เป็นพิดร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจจนกระทั่งได้บรรลุธรรมทั้งหลายถึงแดนพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นแทนะท่นนางข้าฉามี้ความทุกเรามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นพระประเพณที่กล่าวมาเหล่านี้แหลการอยู่การกินการหลับการนอนที่พัรผ้าอาศัยของท่านที่บำเพ็ญความภาคเทียนท่านบำเพ็ญท่านอยู่ท่านกินหลับนอนในที่เช่นไรในสถานที่เช่นไร นี่แต่เป็นสิ่งที่โลกระถานที่สิ่งที่โลกไม่ถึงปรารถนากันทั้งนั้นท่านอยู่นั่นหละทําเกิดในแดนเช่นนั้นแดนที่โลกทั้งหลายไม่ชอบไม่ชอบกันทำชอบเช่นนั้นผู้บเาเพ็ญธรรมตึงชอบอยู่ในสถานที่เชนนั้นอันเป็นที่เหมาะสมกับการบาเพ็ญของตนเพื่อฆ่าทิเดียดได้ง่ายได้ไดดลงไปกว่าที่อันรู้หราหอื ม, อม พากันจำเอาไว้สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ประกอบความภาคเพียนได้พยายามสรงวนหมู่เพื่อนเต็มกําลังความสามารถในขณะหีืเวลาที่ผมรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการแนะนําสั่งสอนก็เพื่อการอบรมด้วยเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญของพระที่มาอยู่ในสถานที่นี้ควรจะบําเพ็ญด้วยความสนอกสนใจประพฤติปฏิบัติ ทางจงกลมเอาให้มันเป็นเหวไปเป็นไหล น, นั่นล่ะคือการทํางานสถานที่เดินจงกลมเป็นสถานที่ทํางานของพระผู้จะฆ่าที่เลยอร่มไม้ชายเขาที่สงับงบเงียบกระต๊อบเป็นสถานที่นั่งภาวนาบําเพ็ญตนด้วยความไม่กังวลกับสิ่งใดบําเพ็ญตนด้วยความสะดวกสบายเพื่อทําทั้งหลายเท่านั้นไม่ห่วงโลกห่วงสงสารไม่ห่วงบ้านห่วงเรือน ไม่ห่วงสมบัติเงินทองอันเป็นสิ่งภายนอกใครๆก็มีได้เพราะเป็นวัตถุนิร่าธาตุอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มาอาศัยชั่วระยะการที่มีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วก็หมดความหมายทุกความหมายทุกสิ่งทุกอย่างจะพังประดามันไปเมื่อร่างกายของเราพังสิอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความหมายเลยแม่สิ่งนั้นเมื่อพังก็จะพังตามตามมันไปเราจรึงไม่ควรถือเป็นสรณะเป็นที่ยึดถือให้ เสียวเวลาให้กิเลสสร้างตัวขึ้นมาด้วยการสั่งสมด้วยการสร้างฝังตนว่ามีความรู้ความฉลาดว่านตนมั่งไม่สิสุขว่ามีบ้านมีเรียนมีบริษัทบริวารมากเพียงเท่านั้นอันเป็นบอกเกิดของกิเลสอย่าพึงคิดอย่าพึงนึกให้เสียวเวลาออกมาแล้วมีเราเท่านั้นออกมาบวชแล้วมีเราเท่านั้นเป็นกับตายก็เราทุกขกับทุกข์ก็เราจะถุดลากตนได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นกําลังวางชาสติปัญดาของเราที่เท่านั้น ไม่มีสินใดที่จะมาช่วยตรดเคื่อนเราให้หลุดพ้นไปได้จึงอัตาหิอตโนนาโถคือไรคือใข่คือเราพึ่งเรานี่แหละประกอบความภาคเพยียงเต็มเม็ดเต็มหน่วยยาได้ลดละถอยหลังขยันเดินจงกรมกีชั่วโมงก็เอาเดินไปให้มันเห็นความยากความลำบากในการเดินให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยในการเดินจงกรมเช่นเดียวกับเขาทํางานทางโลกเราทํางานทางธรรมก็ให้เห็นความ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการประกอบความภาคเปลี่ยนของเราเช่นนั่งนานไปยังไงต้องจ็ปวดแสบร้อนดีไม่ดีก็ล้มทั้งหายเป็นายไปเพราะสิ่งเ่า น, นี้ได้เคยบำเพ็ญมาแล้วก่อนที่จะมาเทศสนามอาการแนะนํานสัมภาษณ์มือพื้นตามพระติกำลังนี่ก็ได้บําเพ็ญมาแล้วทั้งนั้นเดินจงกรมก็ได้เดินห้าหกชั่วโมงแต่นั้นเราไม่เคยนี่ก็เ อ, อตอนกลางวันนั้นอาจเป็นได้คือเดินตั้งแต่ ขันทั้งหันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนี่เป็นได้อันนี้แต่ที่เดินกลางคืนยังไม่เคยปรากฏว่าได้ถึงเจ็ดแปดชั่วโมงเพียงห้าหกชั่วโมงเท่านันี่ก็ปรากฏว่าเหน็ดเหนื่อยควรแก่การพักและเวลาพักก็พักนั่งสมาธิเป็นวิธีการต่อสู้อีกวิธีหนึ่งคือเดินจงกรมก็เป็นวิธีการต่อสู้วิธีหนึ่งโดยทางสติปัญญาเช่นเดียวกันแล้วเตรียมจากเดินเห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้ว ก็มานั่งสมาธิภาวนาก็เป็นวิธีอีกวิธีการฆ่ากิเลสหรือวิธีการฝึกทรมานกิเลสอีกประเภทหนึง่งทําให้มันถึงใจบ้างสินักปฏิบัติเดินให้มันถึงใจให้เห็นว่าเดินขนาดไหนให้เป็นที่ภูมิใจของเราเมื่อคิดย้อนหลังก็ดีให้ได้เห็นความแปลกประหลาดของตนความดเดยวเดี่ยวอาถรรพ์ของตนพอที่กิเลสจะได้ เข้าสกเสียใจกลัวจะพังจับจิตใจลงของเราลงบ้างมันไม่ดีแล้วเหร อ, อพิจารณาสุดนั่งสมาธิก็เหมือนกันว่าบรนลุไปสมาธิเวลานั่งมากๆเนี่ยสํำคัญมกักจะมีเวทนาให้เป็นเครื่องพิจารณางานอื่นๆต้อง้ปล่อยทิ้งหมดรวมตัวเข้ามาสู่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายจุดต่างๆจุดไหนที่เด่นก็เพื่อนถือจุดนั้นเป็นสนามรบ สติปัญญาอย่างลงไปที่นั่นเอา้าทุกข์ก็ทุกข์เวลาจะตายต้องทุกข์ถึงขั้นตายมันถึงตายได้นี่เวลานี้ยังไม่ตายมันทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้อะให้เห็นกันแต่อย่าไปนั่งทนนั่งทนทุกข์เฉยๆให้นั่งทนด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในทุกข์ขั้นทุกข์ขั้นคือความเป็นทุกข์มากๆในสกลรากายนี้มันมาจากอะไรมาจากไหนอะไรเป็นทุกข์ กายเป็นทุกข์หรือเอารวบแยกกายออกในกายแต่ละส่วนแต่ลส่วนนี้มีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกอันใดเป็นทุกข์หนังหรือเป็นทุกข์ถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดหนังก็ยังมีอยู่ทุกข์ดับไปแล้วหนังทำไมไม่ดับไปด้วยถ้าว่าหนังมันเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปหนังต้องดับไปแต่นี้ไม่ได้ดับไปเนื้อเอ็นกระดูกทุกชิ้นนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอาการของมันแต่ละส่วนในส่วน ทุกจะเกิดขึ้นหรือทุกไม่เกิดขึ้นหรือทุกดับไปก็ตามอาการเหล่านี้ก็คืออาการเหล่านี้คงเส้นคงวาของตัวอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกขเวทนาก็เป็นเรื่องของทุกขเวทนาต่างหากไม่ใช่อาการเหล่านี้เป็นทุกข์ทุกขเป็นอาการเหล่านี้มันเป็นคนละอย่างอย่างท่านจึงเรียกว่ากายว่าเวทนาเวทนานั้นหมายถึงทุกขเวทนาแล้วก็เรียกว่าจิตเนยจิตคือผู้รับรู้ผู้รับรู้นี้โง่หรือถนาด ถ้าเอาสติปัญญาเข้ามาช่วยผู้รู้นี้ผู้รู้นี่จะเป็นผู้รู้ที่ฉลาดแหลมคมทําต่อเหตุการณ์คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมามากน้อยภายในร่างกายของเราภายในส่วนไหนก็ตามให้ค้นคว้าเข้าไปตรงนั้นจนกระทั่งเห็นความจริงจากทุกขเวทนาที่อยู่ในจุดนั้นๆแต่สําคัญได้ยาอยาอ ย, ยากให้ทุกหายนะถ้าอยากให้ทุกหายอยากเท่าไรทุกยิ่งทวีรุนแรงมากขึ้น้าหาความยินต่อกันไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญต่อทุกขเวทนาปฏิบัติต่อทุกขเวทนาต้องเป็นผู้ต้องการความจริงนี้อยากรู้ความจริงด้วยสติปัญญานี้เท่านั้นนั่นจึงจะเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากๆการพิจารณาเรื่องทุกในขณะที่นั่งมากหรือเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกายมากต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อเวลารอบกันแล้ว การพิจารณารอบกันแล้วนั้นนะกายทุกส่วนจะเป็นความจริงของตนไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาทุกทุกอาการที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนาเป็นของตัวเองไม่ไปแยกไปแย่ไม่ไปแย่งชิงตำแหน่งกันเช่นกายกลับมาเป็นทุกข ก, กลับไปเป็นกายอย่างนี้ไม่มีเมื่อเวลารู้ชัดแล้ว กายก็เป็นกายหรือหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอาการต่างๆเป็นของตัวเองของตัวเองทุกข์ก็เป็นเป็นของตัวเองนี่เรียกว่าพิจารณาเห็นความจริงจากกายและทุกข์กระสัคือทุกข์ที่เกิดขึ้นไปในร่างกายเมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วจิตคือจิตนี้เป็นของสำคัญไปหมายนั้นหมายนี้นี่แหละเวลาพิจารณาสิ่งใดให้ดูทุกขเวทนาแล้วย้อนดูจิต ดูกายแล้วก็ย้อนดูจิตประสานกันเรื่อยๆจนกระทั่งความสําคัญมันหมายนี่มันหดตัวเข้ามาสําคัญว่าหนังเป็นทุกข์บ้างเป็นกระดูกเป็นทุกข์บ้างเวลาดูเข้าจริงๆแล้วหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็กระดูกเป็นกระดูกอาการต่างๆเช่นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นเป็นทุกข์ต่างๆเป็นทุกข์ต่างหากเมื่อความสําคัญของจิตได้ถอยตัวเข้ามาสู่จิตแล้ว อาการเหล่านั้นจะไม่มีเลยว่าสินนั้นมาให้ทุกข์แก่เราสิ่ง น, นี้มาให้ทุกข์แก่เราอย่างนี้ไม่มีนี่เรียกว่าพิจารณาทุกขสัจ ร, รอบพร้อมทั้งเห็นชัดภายานกายและจิตเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงของตนเต็มที่แล้วทั้งสามนี้จะไม่กระทบกระเทือนกันเลยหนึ่งทุกดับไปวูบในขณะนั้นไม่มีเหลือเนือจิต ก็รวมตัวเข้ามาเข้าสู่ความสงบแนบแน่นแบบอัศจรรยอันที่สามร่างกายก็หายเงียบไปในขณะนั้นหมดความสำคัญซึ่งกันและกันเลยนี่ประการประการที่สองทุกมีอยู่กายมีอยู่จิตมีอยู่แต่ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ประสานกันไม่ยุ่งกัน ทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะมากระทบกระเทือนจิตได้จิตจริงไม่เป็นทุกไปตามนั้นเลยนี่ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นจากการรู้เห็นความจริงแห่งทุกแห่งกายของและจิตทั้งตนนี่การนั่งภาวนานานหรือการเป็นทุกภายในร่างกายจะเป็นทุก์แบบไหนก็ตามด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ตามย่อมจะพิจารณารอบลงได้โดยวิธีการอันนี้แล้วหายสงสัยถึงทุกอั น, นั้นจะไม่หายเช่นโรคภัยไข้เจ็บ ไม่หายก็ตามแต่ใจก็ไม่เป็นถูกใจไม่ไปสําคัญนี่การประกอบความภาคเพียรด้านการนั่งภาวนานานนี่ได้เคยทํามาแล้วดังที่เคยได้พูดเพื่อเป็นคติแก่หมู่เพื่อนมาหลายครั้งหลายหนแล้วการนั่งภาวนานานรบกับทุกขเวทนานี้จนเห็นผลประจักษ์ใจได้รับความอัศจรรย์ทุกๆครั้งไปในบรรดาของการนั่งภาวนานถึงขั้นตลอดลุ่มหรือหามลุ่งหามคามไม่มี คราวใดที่ได้พลาดโอกาสไปเลยไม่ปรากฏข้อมติจย์ น, นี้ขึ้นกับใจไม่ปรากฏเลยว่ามีเห็นอัธจันทร์ทุกครั้งเป็นแต่เพียงว่าลงได้ยากหรือลงได้ช้าหรือเร็วต่างกันเท่านั้นอันนี้เป็นอยู่กับการพิจารณารอบได้ง่ายหรือรอบได้ช้าได้เร็วต่างกันแต่ก็ลงได้เหมือนกันเมื่อลงถึงขั้นแล้ว เต็มที่แล้วเป็นความอัศจรรย์เหมือนกันหมดนี่จึงเป็นธรรมที่ลืมไม่ได้เพราะเป็นสัจธรรมอย่างเด่นชัดเห็นประจักษ์เราเป็นผู้ก่อผลที่เกิดขึ้นจากสัจธรรมอันนี้คือความอัศจรรย์เห็นได้ชัดทีเดียวนี่นการประกอบความภาคเพียรจะใช้วิธีไหนถึงตามเวลาที่ควรจะใช้เราไม่ควรกลัวตาย ถึงเวลาที่ควรใช้ถึงเวลาที่จะถอยไม่ได้มันหักมีในจิตถอยไม่ได้ไม่ถอยเอาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงประจับใจแล้วมันหักถอยต่างอันต่างถอยกันเองโดยหลักธรรมชาติโดยความมีสงาาส่าราศีภายในจิต ใ, ใจของตนนะไม่ได้ลบลายของนักปฏิบัติของนักประกอบความภาคเปลี่ยนมาไม่เป็นท่าเนี่ยเหตุการปฏิบัติประกอบความภาคเลี่ยนและธรรมอัศจรรย์นี้จะปรากฏขึ้นหลังจาก ที่การพิจารณาในอาการที่กล่าวมาเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วจิตก็ถอนตัวเข้าไปเพราะเห็นรอบหมดแล้วจะมายึดอะไรอีก เ, เมื่อถอนตัวเข้าไปสู่หลักธรรมชาติของจิตโดยแท้แล้วแม้จะมีอวิชชาอยู่ในนั้นยังไม่หมดก็ตามแต่ก็มหัศจรรย์ก็ทำให้ลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตายเช่นเดียวกันนี่นี่แหละการถอดถอนกิเลสเป็นเช่นนี้ ความเพียรจริงควรให้มีเป็นบทเป็นบาตรเป็นจังหวะที่ควรจะหนักให้หนักนอกจากเรื่องว่าเบานใะนมันเป็นของมันเอง่ะควรจะหนักก็ให้มันหนักบ้างนักประกอบความภาคเพียรให้ได้เห็นความอริจันท์อย่าให้มีแต่กูบาจานทร์ท่านพูดท่านอธิบายเรื่องทําเรื่องความมีความเป็นของท่านหรือของทำให้ฝังอย่างนั้นให้ปรากฏในจิตใจของเราไปจักเองมันถึงเชื่ออย่างลึกเชื่ออย่างฝังใจ ถ้าเราได้เห็นได้รู้โดยลําพังตนเองแล้วเรียกว่าสันคิฏิโกประจักรหรือปจัจตังเวริตโบประจักรภายในแล้วจะไม่มีวันลืมเลยมีการประกอบความภาคเพียรแล้วกับตามปกติดูที่ไหนไปที่ใดอียาบทสีให้ดูความเคลื่อนไหวของใจเสมอนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์ความวุ่นวายที่มาแก่เราไม่ใช่เรื่องอะไรเกิดขึ้นจากจิตล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น ไม่ใช่เป็นผู้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนใจดวงที่ก่อเหตุอยู่ตลอดเวลานี้นี่มันมีเท่านี้เรื่องก่อเหตุดังที่ว่านะสามแดนโลกธาตุไม่มีสิ่งใดมาเป็นปัญหามาสร้างปัญหาบนหัวใจนอกจากกิเลสนีเท่านั้นสร้างปัญหาบนหัวใจถ้ารู้เท่าทันมันไม่ได้มันจะสร้างไปตลอดแล้วเราก็รับขอากองทุกจากความสร้างของมันไปตลอดสายเกิดในภพใดชาติใดมีจะเกิดเพื่อ ความทุกข์ความทรม า, านตัวเดียวไม่ได้เกิดเพื่ อ, อความดุจพลเพราะอำนาจของกิเลรนี่เลยนอกจากทําเกิดเท่านั้นทําเกิดมากน้อยจะดับทุกข์ลงไปโดยลําดับลําดาด้นทุกข์เข้ามายโนทุกข์เข้ามาดังผู้ได้สําเร็จพระโสดานี่เป็นความที่แน่ภายในจิตใจจ้ของโดยลดาําดับมาโสตะคือกระแสเข้ากระแสที่จะไม่เกิดตายอีกแล้วจะชา้าหรือเร็วก็ท่านก็มีกาหนดเอาไว้ดังที่ท่านแสดงไว้ใน ตำหรับตำลาอันเป็นของแน่นอนตายตัวแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้เึ่นอย่งพระโสดาถ้ายางอ่อนก็เจ็ดชาติ อ, อย่างกลางก็สามชาติอย่างอุปิก็หนึ่งชาติหนึ่งชาติคือกา ร, รมาเกิดดีชาติหนึ่งก็ได้หรือว่าในชาตินั้นแล้วพิจารณาบําเพ็ญตนเองจนแก่กล้าสามารถบรรลุธรรมขั้น ส, สูงสุดมมุตพระนิพพานคืออันเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นภายในชาตินั้นก็ได้ี่เป็นความแน่นอนฉำับจิตดวงนี้ จิตรงนี้เมื่อเข้าจุดรวมแล้วจะรู้เจ้าของไปโดยลําดับลาําดาความเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงไรสติปัญญาไม่ต้องบอกเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับจิต ด, ด้วยการสั่งสมด้วยการบำรุงตลอดเวลาอยู่แล้วจนกลายเป็นหลักธรรมชาติคืออัตโนมตัติแห่งความเพียรของสติปัญญาขั้นนี้ทํางานจะเป็นไปเดินดับเนี่ยถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นความวัิจารย์ของทำไปโดยลําดับลำดาในขณะเดียวกันจะเห็นความทุกข์ ที่เคยเป็นมาโดยลําดับดั่ดาจึงกระทั่งมาทุกที่กิเลสสร้างขึ้นมาในจิตใจนี้ยังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะเห็นเป็นคิษเป็นไัยประจําจิตตลอดเวลาแล้วไม่ละเว้นที่จะสังหารมันจนได้นั่นเน่ยนั่นแหะท่านเรียกว่าสติปัญญาอตโนมัติมันเห็นโทษเห็นไัยกันอย่างไม่จิดจางอย่างขยับตัวเข้าไปเรื่อยๆมัดเข้าไปเรื่อยๆมัดกิเลสมัดเข้าไปเรื่อยมัดเข้าไปเรื่อยเหมือนกับกิเลสมัดเราแต่ก่อนก็ดิกเอาไปแง่ใดมุมใดของอาการของกิตมีแต่เรื่องของกิเลสทํางาน เพื่อมัดเราให้อยู่ในกองทุกหนึ่งอยู่ในเงื้อมือมันเท่านั้นนี่เมื่อทำ ม, มีอํานาจก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้ผิดกันอะไรเลยผู้ปฏิบัติจะทราบด้วยตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถึงทำขั้นเป็นอัตโนมัต ne ิแล้วนั่นละ่ะเป็นขั้นที่จะมัดจิเลสให้อยู่ในเงื้อในในมือในวันใดวันหนึ่งว <yang S 1> เวลาใดเวลาหนึ่งอย่างรีบอย่างร้อนอย่างสดสดร้อนๆอนอยู่ภายในความเปลี่ยนนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้มีความเพียนประเภทนี้จึง หาเวลาว่างไม่ได้ไม่มีเวลาว่างตาเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีจิตไม่ว่างจากการข้นขวายจากการขูดค้นเพื่อฆ่ากิดเลสโดยลําดับไปตาหูจมูกจีนกายจะสัมผัสสัมพันธ์หรือไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่สำคัญแต่จิตนั้นกับกิเลสนั้นจะสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อฆ่ากิดเลสโดยลําดับไป น, นี่แหละถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของจิตเห็นคุณค่าของธรรม เห็นความหวังของตนว่าสร้างขึ้นมาใกล้เข้าไปทุกทีกับความุดพ้นหรือพระนิพพานหรือความบริสุทธิ์ท้องใจสิ้นเสร็จไปจากกิเลสตบระเทศต่างๆะจะเห็นเป็นสดสดร้อนๆตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นความเพียรของผู้บำเพ็ญในขั้นนี้จึงนับวันที่จะก้าวก้าวหน้าโดยลำดับลาดาไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนนี้ที่ความเพียรจะไม่ดาเนิน สติปัญญาจะก้าวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดยั้ยงนอกจากเข้าสู่สมาธิเพื่อพักถอนย้อนจิตกิริยาของจิตซึ่งทํางานนั้นเสียเป็นการชั่วคราวเท่านั้นคือการพักสมาธินี้อาการของจิตทุกส่วนซึ่งเป็นงานของใจนั้นระงับไปด้วยกันมีเรียกว่าพักจิตพอถอนออกมาจากนั้นแล้วก็ก้าวเดินคือการทํางานของจิตจนกระทั่งได้หลุดพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิง หาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วจิตดวงนี้ทั้งๆ ท, ที่จะกรรพุงพลั ง, ลงจนหาเงื่อนต้นเงื่อนตายหาจิจไม่ได้มีจะสิ่งควบคุมมีจะสิ่งปกปิดําบังปเสียหมดสิ่งนั้นไม่พึงปะไม่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประถนาเลยแต่มันเป็นใหญ่มันครอบหัวใจไว้หมดหาทางที่จะสอดส่องเข้าไปดูใจเจ้าของไม่ได้เลยก็มีนัก ด, ดังที่มันเป็นอยู่ที่จิตไม่หลักในฐานนั่นและ อันนี้พอจิตได้หลักได้ฐานแล้วย่อมมีช่องทางที่จะก้าเดินไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดินด้วยปัญญาไปแฝงกันไปในระยะระยะแต่ไม่ใช่ทํางานในขณะเดียวกันเวลาเดียวกันเช่นเวลานั่งสมาธิยิตเพื่อเพื่อความสงบของจิตก็ให้เป็นความสงบเสียอย่ายุ่งกับการพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจิตมีกําลังจากสมาธิแล้ว ถอยออกมาทํางานด้วยปัญญาแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิให้ทํางานหน้าตามหน้าที่ของสี่ปัญญาเรื่อยไปนี่แหละคือการขุดค้นการสาดความทันแหละกับกี่เลศทั้งหลายด้วยวิธีการคือปัญญานี่แหละเป็นสําคัญสมาธิเป็นเพียงภาคจิตเพื่อเอากําลังเท่านั้ น, นเมื่อถึงขั้นละเอียดจิตจะทราบตัวทุกระยะะ ว่าจิตเวลานี้อยู่ในขั้นใดภูมิใดสมมุติมาตายแล้วจะไปที่ไหนไม่ต้องถามใครเลยมันบ อ, อกอยู่ในตัวข้อมันเสร็จทีเดียวี่จนกระทั่งถึงจิตได้หลุดพ้นออกจากสิ่งเกี่ยวข้องคือสมมุติทั้งปวงมีอวิชชาสมมุติเป็นต้นโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วทําไมจะไม่เด่นดวงทําไมจะไม่รู้จนเหมือนกับว่าโลกกธาตุบั่นไหวล่ะจิตดวงนี้ได้หลุดพ้นจากความจองจํามากี่ภพกี่ชาติแล้วที่เคยจองที่เรศเคยจองจํามา แล้วได้ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วแล้วนี้ทำไมจะไม่ทราบอย่างเด่นชัดท่านว่าสารทิลิโกที่ประกาศตังวานเหมือนกับว่าสามแดนโลกธาตุนี่ถล่มก็คือจิตที่พลากจากวิชามั้งแหละนั่นหละทีนี้ก็ชัดเรื่องการเกิดการตายจะไปเกิดที่ไหนอีกไหมจะไปตายที่ไหนอีกไหมเมื่อเกิดไม่มีตายก็ไม่มีเมื่อไม่มีเชื้อพาให้เกิดจิตจะไปเกิดได้อย่างไงเชื้อของจิตคืออะไรมันก็รู้แล้ว ท่านให้ชื่อว่าอาวิชชาปติยาสั่งคาลานี่คือเชื้อฝังจมอยู่ภายในใจเมื่อถอดถอนนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วก็รู้ชัดเจ้าของโดยโดยไม่มีแง่สงสัยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามท่านทำไมความรินเป็นอนดีกวกันก็เหมือนกบถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับเรารับทานต่างคนต่างรับทานต่างคนต่างมีที่หาภาษาต่างคนต่างรับรสรับชาตได้ด้วยกัน ประสาททํางานสมบูรณ์เต็มที่เลยกันทําไมจะไม่ทราบความเย็นน้อนอ่อนแข็งนือ้อเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานต่างๆจนกระทั่งถึงความอิ่มประเดิมดําดาถึงขั้นอิ่มสุดเต็มที่ที่จะรับทานต่อไปอีกไม่ได้แล้วทําไมจะไม่ทราบต้องได้ทราบกันพวงนั้นนั่งรับทานรวมกันอยู่เป็นพันพันเป็นหมื่นแสนคนก็ตามจะไม่มีรายใดเลยแวกแายออกมาว่าความอิม่มของข้าพเจ้าเป็นยังไงเผ็ดเค็มของข้าพเจ้าเป็นยังไงไม่มี ชาไปเดิมดับจกกนกระทั่งถึงความอิม่มหนำสำนานเต็มที่นี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นผู้ที่รู้ทำทั้งหลายรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นจึงพร ะ, บบระพุทธเจ้า็ดีสาวากทั้งหลายคดจึงไม่ถามกันพอถึงขั้นไม่ถามแล้วไม่ถามถามไปหาอะไรมันประจกักษ์ปิตพายกิตใจเลยนี่แล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อข้องใจให้ถามนี่ดิดังนี้การรื้อถอนตนออกจากทุกข์ให้ทําความพยายามพึ่งตนอยู่เช่นนี้เราอย่าหวังพึ่งอันใดในโลกนี้อย่าหวังพึ่งปีเดือนบัน สถานที่นู่นที่นี่ยาคาดอย่าไมายไปให้เสียเวลาในความเพียนเราในระยะหนึ่ ง, หงให้บําเพนตัวไปโดยดําดับกําดา <c oughs> จนกระทั่งถึงที่สุดมุดหลุดพ้นไปเสียภายในในร่างกายที่ยังครองร่างอยู่นี้แหละแปนสิ่งที่แน่นอนที่สุดแล้วตายเมื่อไหร่ก็ตายไปเถอะอันเรื่องธาตุเรื่องขันมันรวมตัวกันเข้ามานี่มีจิตเท่านั้นเป็นผู้ ไปถือกลัมาสิยึดสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเรี่ยวกับปฏิสนธิวิญญาณเขากเ็เกิดเข้ายึดถือเนี่ยถึงการเวลาอันนี้มันจะลายแล้วห้ามไม่ฟังห้ามไม่ได้มันก็แตกขึ้นมนไปยึดหมดความยึดถือหมดอุปทานแล้วก็หมดความรับผิดชอบความอุปทานไม่มีอีกอยู่แล้วหมดความรับผิดชอบนั่นหมดปัญหาเรื่องของส ม, มุดโดยประการทั้งปวงนั่นแหละท่านมนิพพานดังพระพุทธเจ้าของเรานิพพาน ดังสาวกทั้งหลายนิ้ผ่านน่ท่านปล่อยความรับผิดชอบหลังจากนั้นมาก็เมื่อบริสุทธิ์จิต บ, บริสุทธิ์แล้วก็ปล่อยความรับปิดชอบคือพาร า, เ, าเวปัญจักขัณฑานิเสีธขันทั้งห้ามันเป็นทุกข์ก่อควรอยู่ตลอดเวลาพาอยู่พากินมพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายยบททั้งสี่เพื่อธาตุเปรกขันที่ทั้งนั้นเมื่อจิต บ, บริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรที่จะเพื่อจิตเลยเพราะจิตไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนื่องจากเป็นความพอตัว พอตัวอยู่ในจิตดวงนั้นไม่หวังเอาอะไรอีกแล้วความหมังจึงหมดโดยประการทั้งปวงแม้ที่สุดอยากไปนิพพานจนกระทั่งถึงใจจะขาดก็ตามเต๋อเมื่อมันถึงขั้นที่หายอยากแล้วก็หายเช่นเดียวกับเราหิวก็หายอาหารนั่นแหละเมื่อเราหิวหิวมากใครก็รู้เวลารับทานลงไปอิ่มเต็มที่แล้วอยากอะไรอีกเนี่ยหิตจะอยากไปนิพพานก็คือยังไม่ถึงนิพพานนั่นแหละเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์ ยิมุตหลุดพ้นอิ่มตัวแล้วก็คืออิ่มพระนิพพานนั่นเองอยากไปนิพพานที่ไหนผู้บริสุทธิ์แล้วย่อมไม่หลงพระนิพพานยังเรียกว่าบริสุทธิ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าจะบอกก็ตามไม่บอกก็ตามเถิดทางนี้ท่านสอนไว้แล้วอุบายวิธีการต่างๆให้พวกเรามาบําเพ็ญตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงยิมุตหลุดพ้นเพื่อเราทั้งนั้นพากันตั้งอกตั้งใจอย่ามาอยู่เฉยๆรับหลั บ, ลบนอนนอนตื่นตื่ น, นกินๆอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยความเพียรให้เร่ง เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นจิตจำเป็นของพระเรางานของพระคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละงานของพระงานฆ่ากิเลสเหมือนอย่างโลกเขามีงานทำกันเขาทำอยู่ที่ไหนที่ทำงานของเขามี ม, มีมีทั้งนั้นที่ทำงานของพวกเราคืออะไรคือสติปัฏฐานสี่อริยสัจสี่ที่อยู่กับตัวขเราสถานที่ที่ทำงานคืออะไรอีกทางจงกรมเดินลงไปที่ สมาธิภาวนาตามร่มไม้ชายป่าชายเขาตามกระตอบนั่งลงไปพิจารณาลงไปนี่เรียกว่าผู้ทำงานคนไม่ว่างงานย่อมจะปรากฏสมบัติอันพึงใจขึ้นมาในวันเวลาใดเวลาหนึ่งจะได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อไปนี้มันจะไม่มีแล้วนะกรรมฐานจะมีแต่ชื่อแล้วเวลานี้ถูกสิญญย่วนทั้งหลายมันล้อมเข้ามาล้อมเข้ามารอบตัวแล้วเวลานี้นี่หละคน ไม่ว่าคนว่าเราว่าเขากําลังส่งเสริมกันในทางที่จะผูกมัดตัวเองที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้มากขึ้นไปโดยถือว่าตนนี้ฉลาดแหลมคมความจริงมันโง่จะตายไปมนุษย์เหล่านี้อืมว่ามนุษย์นี่แหละฉลาดแต่ในขณะเดียวกันก็คือมนุษย์นี่แหละฉลาดมากเพียงไรก็ความโง่ทําลายตัวเองมีมากเย่างนั้นวุ่นไปหมดทั้งโลกทั้งสงสารเ ม, มีใครถ้าว่าฉลาดจริงๆความสุขที่จะเอามาจากความฉลาดมีตรงไหนหาหาเจอไหมไปถามสิ เราไปถามที่คนทั้งโลกทรานนี่ถ้าไม่ถามจิตของผู้บริสุทธิ์ที่เท่านั้นผู้นี้เป็นเป็นผู้ไม่จนเน่ยเรื่องความสุขสมบูรณ์เต็มที่คือผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นแล้วมีความสุขที่พึงใจของตัวเองก็นับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจิตมีที่อยู่จิตมีที่พักจิตมีเรือนจิตจิตย่อมมีความสงบสบายเนี่ยจากนั้นก็จิตมีปัญญาแพ่วพร้าสามารถฆ่ากิเลสไปโดยลาดับตลำนาเห็นที่ฆ่าเห็นที่ตายของกิเลสเห็นที่บุญพ้นจากเห็นชาตชนะของตัวที่ ชนะกิเลสไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเห็นป่าช้ากิเลสมันบันไลประจักษ์จิตสังหารกิเลสไปด้วยกุชราธรรมาคือความฉลาดของตนนี่แหละเห็นอยู่ที่หยิตนี่ไม่ได้เห็นอยู่ที่ไหนนะดูที่นี่นี่แหละความสุขอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่ตามความสําคัญนั้นหมายเราไม่ได้ประมาทโลกเราพูดตามเรื่องของโลกของธรรมต่างหากเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกนี้มีมากขนาดไหนว่าเจริญขนาดไหนก็คือความทุกข์ความทรมานของจัดโลกในทั่วไปในโลกนี่แหละ นั้นจะเอาความสุขที่ไหนมาเพราะมันเป็นเรื่องของโลกของกิเลสพาล่อหลวงให้เป็นไปเท่านั้นไม่ใช่ทำทำถ้ามไม่หลอกลวงใครนี่ตากฏตรงไหนเป็นที่ไว้ใ จ, เ ป, ใจเป็นที่ไว้ใจเดิมดับลำดาไม่มีฉากหน้าฉากหลังเหมือนกิเลสที่ตัวมายาแสนกลดนี้เลยอันนี้มีเถอะอฉลาดขนาดไหนกองทุกเต็มหัวใจเอาเอาความทุกข์สุขมาจากไหนฉลาดกิเลสพาให้ฉลาดหาความสุขไม่ได้นะถ้าทำพาฉลาดแล้วเอาไม่ต้องถามใครก็ได้ พูดก็สาธุพริจ้าพรนิพพานกี่หมื òn, ่นกี่ล้านองค์ไม่ถามพระองค์ถานธลายพระองค์ก็รู้อย่างเดียวกันเขือนอย่างเดียวกันสุกอย่างเดียวกันถามท่านทําไมนั่นนั่นจึงว่าเป็นคนขีดเจอสุขจริงๆบรมมาสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนและไม่ต้องหมายป่าช้าไม่ต้องกลัวเรื่องความเป็นความตายกลัวมันอะไรเรื่องศาสนาธรรมเรื่องความจริงหรือเ่ามันเข้าสลายกันไปเรื่องอนิจจังทุกขังนตามีอยู่ทุกสิ่งทุกผนรู้ตามอนิจจังทุกขังนตาแล้วหลงไปอะไรอีกตื่นได้อะไรอยู่ตามความจริงของตนท่านนเองนั่น นี่แหละความสุกหาเอาตรงนี้ให้มันได้สิเรื่องอยู่ทั้งโลกทั้งสารเราก็เคยอยู่บ้าด้วยกันแล้วไม่ได้ประมาทเราเกิดกับโลกพ่อแม่เราเป็นโลกตัวเราก็เป็นโลกเกิดมาอยู่ในโลกกระทบกระเทือนโลกก็รู้กันมาเดินดับดาอย่างนี้เราสงสัยที่ตรงไหนว่าโลกนี้จะมีสาระสําคัญพอที่จะให้เราพึ่งเป็นพึ่งตายไปได้เช่นเดียวกับธรรมละไม่มีเพราะงนั้นเราเป็นผู้นักเป็นนักบวชนักปฏิบัติตรงฟันจิตให้มันออกจากสิ่งที่มันเคยหลอกลวงนั้นเข้าสู่ อาจเข้าสู่ธรรมให้เป็นที่ตายใจได้ในอันใธรรมมีสมาธิธรรมเป็นต้นเข้าถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งบิมดมุดบุดพ้นภายในจิตในในธรรมภายในจิตนี้แล้วเท่านั้นแหละที่นี่ไม่ต้องไปถามาอะไรนั่นแหละคือผู้มีความสุขนั่นแหละคือผู้เมืองพอนั่นแหละคือผู้พอแล้วจริงไม่ต้องวุ่นวายอะไรเลยนี่ผู้นี่หาหาสุดเจอเจออย่างนี้สิพระพุทธเจ้าจึงเป็นองค์เอกของโลกที่บรมสุขบรมสุขปรามังสุ ข, ขังปรามังสุขังหมายถึงอะไรท่านหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์นิสาน ยิที่มีเกลียดมันเอาปรมาณู ข, ขังมาที่ไหนมาให้เรามีแต่เอาปรมาณูทุกขังแล้วเข้ามายัดใส่ยัดใส่ยัดใส่เต็มหัวใจสุดท้ายก็จกจะเป็นบ้า ท, ทั้งทั้งที่ยังไม่ตายเพราะทุกข์มันมากกว่ามากสติปัญญาบังคับไม่ไม่ได้บังคับไม่ถวดถึงกําลังไม่พอสุดท้ายเป็นบ้าไปได้เพราะความคิดมากดุ้งมากนั่นทุกข์มากนักก่นเองคือเป็นลายปัดให้มันเห็นชัดเจนที่นักปฏิบัติแต่มันรู้ในหัวใจแล้วมันพูดได้หมดนั่นแหละเบ้นแต่มันไม่รู้มันพูดไม่ได้ถ้าลงได้รู้แล้วปิด ได้อยู่เหลือของมีอยู่พูดตามสิ่งมีอยู่เป็นอยู่ทําไมจะพูดไม่ได้เห็นได้ทําไมพูดไม่ได้วะนั่นอ๋อมันจริงจังอย่างนั้นปฏิบัติเอาละเท็จู้สิญญายแล้วพอมัละเอียดมากนะิงที่พ่ายเกิดนีนละเอียดมากไม่มีอะไรมันะที่จะไปรู้ไปเห็นมันได้นะนอกจากวิชาธรรมเท่านั้นนี่เราธรรมเพียงเรียนไม้เฉยมันก็ไม่เห็นเรียนมาเท่าไหร่ก็แก้ตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ เราไม่ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันหนูวิ่งไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นเห็นไหมละ่ะอืมันเคลยอุบายต่างๆแล้วก็ทาําตามวิธีอุบายของท่านที่นพาดํ ม, มืนมาแล้วนะั้นแล้วค่อยๆ เ, เข้าใจขาเข้าใจณห น, ะนานที่นี่มันแก้ได้จริงภาคปฏิบัตินะแก้ได้ภาคปฏิบัติอรู้ได้จริงเอาสิ่งไม่เคยรู้รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาจริงิดนี้จึงเป็นสิ่งที่พิสดารมากนะอืจิตดวงนี้แหละ เวลามันโง่มันก็โง่แสงโง่แต่เวลามันได้พลิกจากความโง่ไปแล้วสิ่งไม่เคยรู้มันก็รู้ไม่เคยเห็นมันก็เห็นก็จะใจว่างไงก็มันเห็นนี่ไม่ว่างไงจะว่าไงก็มันมันรู้นี่เนี่ยแต่ก่อนมันไม่เคยรู้เนี่ยเวลามันรู้ปิดไม่อยู่ก็มีแต่เรื่องของที่เดชนามปิดไว้พอที่เดชเบิกออกเบิกออกมันก็เหมือนพระอาทิตย์พอเมฆมันจางไปจางไปอย่างไปมันก็แสงมันจ้าออกมาแล้วทะลุไปหมดนแต่เรื่องของปัญญาเนี่ยมัน อะไรปิดไม่อยู่นะอ น, นี่มีอะไรปิดมันก็อยู่ผ้าทิศไม่ส่องเข้าไปในก้นเหวก้นบ่อได้ห่ะแต่ปัญญานี่ทะลุไปหมดได้หมดจิตจิตมันลึกลับจริงนะเวลามันลึกลับลึกลับจริงจิตคือจิตของเราเองนั่ น, นแล่ละเราดูที่นี่นะเราดูสิ่งอื่นยิ่งแล้วลรอนะเราไปดูยังไง หมาทั้งตัวก็ทั้งตัวนี่ก็เห็นมันทั้งตัวมันเลยไม่เห็นจิตมันอหนึือคนทั้งคนก็เห็นคนเลยไม่ได้เห็นจิตคนตเวลาดูเจ้าของนี่มันเห็นจิตเจ้าของสเ น, นี่ยด้วยกิตภาวนาดูทั้งตัวเจ้าของดูดูลงไปดูลงไปที่ทั้งดูหมดทั้งตัวเลยมันมีเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันทั้งหมดน่ะมันเห็นไปชัดขนาดนั้นทึงจิตนมันรวมตัวเข้าไปแล้วเป็นความดวงดวงรู้ เด่นเด่นเด่นอยู่ภายในนี้มีอันเดียวนั้นดูจุดเด่นเป็นจุดซดะก่อนนะพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจุดเด่นแห่งความสงบก็อยู่ที่จิตเห็นเห็นเห็นฐานของความสงบเห็นฐานของจิตแล้วทีนีงสงบกําหนดลงไปเมื่อไรมันก็เห็นความสงบความปองใสยอยู่ในจิตชัดชัดชัดเรื่อยขั้นสมาธินี่เป็นอย่างนี้ก่อนขั้นหนึ่งนะอันนี้รู้แล้วว่านี่คือจิต อันนี้คือธาตุคือขันเพียงจิตเป็นสมาธิ น, นิ่มันก็เริ่มทราบแล้วระหว่างขันกับจิตคือรูปกายเนี่ยสําคัญมันเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นรูปกายอันนี้เป็นธาตุไม่รู้จิตเป็นธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้อยู่กับธาตุไม่รู้ดินน้าลมไฟมัไม่รู้อ่ะจิตเนี่ยมันรู้มันอยู่ในนั้นมันรู้ตัวเองพอกล้าเข้าสูขั้นปัญญาลล้วจริง มันคลื่นไส้ปัญญาละเอียดมากกว่าสมาธิละเอียดมากจริงๆผู้ที่ไม่เคยมีปัญญาไม่เคยเหนปัญญาไม่เคยเห็นผลของปัญญาก็มาชมผลของสมาธิเพราะฉะนั้นคนยิ่ติดสมาธิไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาพรายังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาแม้จะเลิศกว่าก็ตางยังไม่เห็นก็ไม่ถือว่าเป็นเลิศเป็นเลิศอะไรล่ะไม่ได้ติดใจเพราะไม่เคยเห็น เพาะจิตเ้าทางด้านปัญญาอยู่ไม่ได้นะเพราะสิไม่เคยรู้ค่อยรู้เข้าไปรู้เข้าไปแจ้งไปแจ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยภายนอกภายในวิ่งประสานกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยเลย น, น, นี่ที่นี่เรื่องของของจิตนี่ก็ยิ่งละเอียดที่ว่าจุดของจิตในวงสมาธินี่ก็เป็นจุดอันหนึ่งเด่นแต่แต่แต่แตยาก พอจุดของจิตที่อยู่ในขั้นปัญญาแล้วเด่นทั้งละเอียดเด่นเด่นเด่นละเอียดอะไรปัญญาแล้วมันความพ่องใสเนี่ยมันละเอียดลงไปกว่าสมาธิมากทีเดียวนะละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงเอียพิจารณาแจงร่างกายกเรื่องวทนา สัญญาสังขารมิญญานมันแจ้งอะไนี่มันค้นมัพิจารณาต่างขันธ์ทีนี้ยิ่งละเอียดละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนกระทั่งชัดรูปเป็นอันหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารมิญานเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งจากจิตเนี่ยถึงขั้นที่ละเอียดอันนี้จิตอันนี้ยิ่งละเอียดทีนี้นะเป็นจิตก็ตามเปิดเป็นจิตที่ละเอียดมากผ่องใสกับผ่องใสละเอียดมากอะไรมีแต่ละเอียดละเอียดพร้อมๆกันไป มีความละเอียดอยู่ในนั้นหมดละเด่นอยู่ภายในร่างกายพอถึงขั้นมันละเอียดเต็มที่แล้วมันก็ถึงขั้นว่างของจิตมันว่างไปจริงๆเราคิดดูเรามองดูเห็นตั้งก้อนภูเขาตั้งลูกมันทะลุไปเลยมันว่างไปเพียงเป็นพาเป็นเงาๆงเงาเนี่เงาด้วยตาที่เห็น แต่จิริงๆมันทะลุไปหมดเวลามันว่างว่างไปหมดเลยนี่ย้อนเข้ามาหาผู้ที่ไปเห็นว่าว่างนี้มันมันเป็นจิดที่ละเอียดมากครับมันของไม่ว่างในตัวของมันเองนั่นยังไม่ได้ว่างนะมันว่างจากข้างนอกสิตัวมันเองยังไม่ว่างแต่ในขั้นนั้นมันไม่มันไม่รู้ว่าเจ้าของไม่ว่างสิจึงมองอยข้างนอกเลยมันไม่ได้มองเข้ามานี่ เมื่อถึงขั้นมันพอตัวของมันแล้วมันก็ย้อนเองเข้ามาถึงขั้นถึงตัวเองตัวไม่ว่างมก็มาทำลายตรงนี้ถ้าทำลายตรงนี้แล้วคำที่ว่าจุดผ่องใสหรือว่าความละเอียดของจิตอนันนี้มันก็มารู้เสียว่าอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยนี้มันก็ไม่มีที่อื่นกะ็มาจุดจุดนั่นหมดไปเลย มันก็รู้เองคือว่าอันนี้คืออะไรล่ะแล้วทําไมมันหมดไปได้ล่ะเนี่ยแล้วไอ้อันที่ไม่มีจุดเป็นยังไงที่นี่ถ้าจะเทียบกับคําว่าจุดที่ละเอียดทองใสเต็มที่นั้นมันก็เหมือนกับกองที่ไฟนั่นเราเทียบนะถ้าเทียบคุณค่าของมันคุณค่าของความละเอียดหรือความทองใสของจิตที่ว่าละเอียดละเอียดสุดนะ กับเทียบกับอทีมันไม่มีจุดแล้วนั่นธรรมชาติที่ไม่มีจุดคือธรรมชาติที่ว่างในตัวเองนั่นทีนี่มันเข้าขั้นถึงขั้นว่างตัวเองว่างแล้ ว, ว่างในตัวเองกลับมาว่างนั่นอั น, นอันนี้มันก็เทียบกับทองคาทั้งแท่งกับกล่องที่ควายทั้งกล่องมันต่างกันยังไงคุณพระขอเราก็พยายามได้อธิบาย ห, หมู่เพื่อนจนหมดทุกจุด ท, ท, ท, ท, ทุกมุมนะไม่ไม่เคย ปิดบังนี้รับเลยนะตามความจริงเนี่ยแล้วเราก็ยังยึดตกอยู่ด้วยว่าผู้บําเพ็ญ น, นั้นนะมายึดเป็นท่านยาได้นะเพราะงั้นพระแม่กุศอาจารย์ท่านจึงไม่พูดเรื่องจิตอย่างนี้ไม่บอกไปบอกบอกแต่วิธีการวิธีการให้ผู้เจ้าของเจอเองเจอเองมากกว่าอย่างนี้เราแก้แอย่างนี้มันมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแต่เมื่อเกิดข้อความที่สามนั่นเป็นเหตุที่ยยแยกแยกให้ฟังทุกแง่ทุกมุม แล้วก็ไม่พ้นที่ผู้นั้นจะไปหมายในท่านละเอียดและหมายได้อยู่อีกนะเม่อมันถึงขั้นที่ว่ามันหมดไม่มีจิตมีต่อมอะไรแล้วมันก็ภาลังไม่ต้องบอกก็หมดเองจิตหมุนเป็นกลงทำไมจับมันก็อยู่เองที่ว่ามหาตรีมหาปัญญาหมุนติ้วติมหาตรีมหาปัญญามันก็เป็นคู่ปรับมันกับกิเลส มันเป็นเครื่องมือเป็นคู่ปรับกันเมื่อศัตรูมันพันงไปแล้วก็จะไปหมุนกับอะไร ย, ยังไเอาเอาดนีออกไปให้เลิกกันลนะ